แล้วก็ทันทาพินญาปฏิบัติก็ยากยากกิเลสมันเล่นงานเหลือเกินขณะเดียวกันก็บรรลุยากอีกนะแต่ในที่สุดก็บรรุได้นะตันหาเหล่านั้นที่ปฏิบัติทุกขาปฏิปทาก็เป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระอนาคามีคือได้บรรลุอนาคามีผลราคะวิราคาเจโตวิมุตต์คือเป็นพระอนาคามีแล้วก็บรรุอวิชาวิราคาปัญญาวิมุตต์ก็คือบรรลุเป็น ถ้าอรหันท์ท่านปฏิบัติด้วยความทุกข์ความยากลำบากเหล่านั้นในที่สุดก็บรรลุมรคผลได้ทีนี้การบรรลุมรคผลของบุคคลเนี่ยบรรลุอย่างไรบรรลุด้วยอะไรบรรลุด้วยอริยมรคมรีอันประกอบไปด้วยองค์ปดผู้ที่บรรลุยังไงก็ต้องบรรลุด้วยอริยมรคมีองค์แปดอริยมรคมีองค์แปดที่ทาให้บุคคลบรรลุนั้นะเป็นไน สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอานะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเข้าเป็นอย่างนี้เอาแล้วสมาธิที่เป็นบาตรให้เขาบรรลุเนี่ยสมาธินั้นอะอยู่สมาธิระดับไหนท่านบอกว่าในจตุตฌานเพราะความถึงความแก่กล้านะพวกนี้มีจตุตฌานมีฌานที่สเป็นบาตรแล้วก็บรรลุเป็น พระอรหันต์ในเทระคาถาเทรีคาถาเนี่ยนะมีนะพระเทระพระเทรีบางรูปท่านบวชมา25ปีแล้วใจไม่เคยสงบเลยฟุ้งซ่านมาตลอดอากุศลเล่นงานกลุ่มรุมอยู่ตลอด25ปีที่บวชเข้ามาแต่ในที่สุดก็กัดฟันสู้จนได้ฌานสี่พอได้ฌานสี่อาศัยฌานสี่เป็นบาทเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นตนเนี่ยนะท่านเหล่านี้ก็มีอยู่ทีนี้ ฌานสี่ที่เป็นบาตให้เกิดการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะฌานสี่ที่ที่เป็นบาทตคิดว่าออกจากฌานสี่ที่เรณาฌานสี่หรืออาศัยฌานสี่เป็นบาตในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะฌานสี่ น, นั้นมีองมีองคุณมีององสมบัติมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างอธิบายว่าแท้จริงในจตุทัชฌานที่บุคคลย่อมเจริญจตุทัชฌานนั้นเป็นฌานที่เป็นจิตสมบูรณ์ด้วยองค์แปดประการ อันนะ่ะถ้าใครได้ฌาน4เนี่ยนะโหจะดีเยี่ยมขนาดไหนที่เป็นบาตรอย่างดีอ่ะนะฌาน4เนี่ยเป็นบาตรอย่างดีของการเจริญวิปัสนาฌาน4ี่มีอะไรบ้าง 1. บริสุทธิ์ประโยชนานะหมดจด 3. อัอนังคณะไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมอง4วิคตูปกิเลสะปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองหมุทุคืออ่อนโยน 6. กกรรมนิยังควรแก่การงาน 7. ทิติตั้งมั่น8ด อนเนนชับปัดตังถึงความไม่วันไหวมันองค์ุณแปประการของจตุทชานเนี่ยนะชาดสี่มีองค์คุณแปประการบุคคลนั้นย่อมบรรลุคุณแปประการบรรลุคุณ8ประกา ร, ค, ร, การคุณ8ประการที่ได้เนี่ยนะก็อาศัยอะไรเป็นเหตุให้ได้อภินญาหกด้วยนะชาดสี่นี้เป็นเหตุให้ได้อภิญญาหกแล้วก็ได้คุณวิเศษอีกสองประการในจตุทชาา น, นั้น นะถ้าหากว่าได้ฌานที่4ีฌานที่4ี่เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายระดับนะฌานที่สี่แบบรูปฌานอากาสารนใจยตนาวิญญาณนใจยตนาอากินจัญญายตนาเนวสัญญาณาสัญญายตนะก็เรียกว่าฌาน4ี่เหมือนกันคือฌานที่4ี่เพราะว่ามีองค์องค์เท่ากันเนี่ยนะก็เรียกว่าอเนนชาปัตตังอเนนชาเนี่ยนะอเนนชามีอเนชเนนะเนชาคือจตุทชัชฌานทั้งหมดเรียกว่าอเนนชาเพราะถึงความเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหว จิตนั้นบริสุทธิ์เพราะเหตุใดย่อมสะอาดหมดจดเพราะเหตุนั้นถ้าจิ s, าตสะอาดแสดงว่าจิตนั้นประโยชน์ถาดถาาตะเนี่ยนะแปลว่าหมดจดจิตที่สะอาดเป็นจิตที่หมดจดที่สะอาดหรือจิตที่บริสุทธิ์นั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะอุเบกขาสติปริสุทธิภาวะคือเพราะอ่าเป็นความบริสุทธิ์ของสติแล้วก็มีอุเบกขาที่ดํารงมั่นเป็นใจที่สงบเป็นใจที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้น จิตบริสุทธิ์เพราะเหตุใดจิตนั้นแหละย่อมสะอาดหมดจดเพราะเหตุนั้นจิตสะอาดหมดจดเพราะเหตุใดย่อมไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองเพราะเหตุนั้น <lucky> เรียกว่าปริโยธาตะเนี่ยนะปริโยธาตะที่บอกว่าสะอาดหมดจดคืออะไรท่านบอกว่าประพัสระประพัสระประพัสสนะแปลว่าอะไรประพัสสอนแปลวล่าเรื่มใช่ไหมปริโยธาตะก็คือเรื่อมสว่างสะอาดสงบอ่ะนะ พันแสดงว่าจิตนั้นไม่มีกิเลสเครื่องเศร้ามองเลยไม่มีราคะโทสะโมหะมานะทีนมิธอุทะจักุกุจะอะไรไปแทรกให้เศร้ามองแม้แต่นิดเดียวจิตไม่มีอนังฆะกิเลสเครื่องเศร้ามองเพราะเหตุใดย่อมปราศจากความเศร้ามองเพราะเหตุนั้นปัญจิตที่สะอาดหมดจดทําให้ไม่เศร้าหมองจิตที่ไม่เศร้ามองก็ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้ามอง จิตที่ไม่ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้ามองเพราะเหตุใดใจก็อ่อนโยนเพราะเหตุนั้นก็กลายเป็นจิต ท, ที่อ่อนโยนจิต ท, ที่อ่อนโยนเพราะเหตุใด ย, ย่อมควรแก่การงานเพราะเหตุนั้นจิตควรแก่การงานเพราะเหตุใด ย, ย่อมตั้งมั่นเพราะเหตุในั้นจิตที่ตั้งมั่นเพราะเหตุใดย่อมถึงความไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์ประโยชธาตะหมดจดอนังคณะไม่มีกิเลสเครื่องเศร้ามองวิคตูปกกิเลสะ ปราศจากความเศร้ามองมุทุอ่อนโยนกรร ม, มนิยังควรแก่การงานทิตังตั้ ง, งมั่นอนเนนชับปัตตังถึงความเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วคืออบรมคือเอามาฝึกแล้วควรแก่การงานเหมือนจิตเลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วย่อมควรแก่การงานอันนั้นไม่มีอะไรที่จะควรแก่การงานเพราะฉะนั้นจิต จิตที่ระดับฌานสี่เนี่ยนะเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ่นะทีนี้ถ้ากล่าวว่าบรรดาองค์สองอย่างนั้นสองอย่างคืออะไรคือจิตผู้ที่ได้ฌานที่สี่เนี่ยนะ ประกอบด้วยองคุณแปดประการเหล่านี้จะได้อภิญยาหประการใช่ไหมจะสำเร็จอภิญยาหประการขณะเดียวกันทำให้ได้คุณวิเศษสองประการไอ้คุณวิเศษสองอย่างมีอะไรบ้างก็จิตนั้นไม่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งตันหาและไม่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งทิฏฐิอังคณากิเลสกิเลสเครื่องเศร้ามอง อ, อุปกิเลสกิเลสเครื่องเศร้ามองเนี่ยนะไอ้ความเศร้ามองเนี่ยถือว่าอยู่ในฝักฝ่ายแห่งตัหา จิตของจิตฌานที่สีเนี่ยจิตในฌานที่สีไม่มีกิเลสเครื่องเศร้ามองอ น, นะวิคตูปกิเลสคือไม่มีอุปกิเลสไม่มีความเศร้ามองอยู่ในนั้นเลยแต่ถ้าจิตที่เศร้ามองละ่ะจิตที่เป็นอังคะกิเลสเป็นดุดเนินหรืออุปกิเลสะเศร้ามองอันนี้ถือว่าอยู่ในฝักฝ่ายแห่งตันหาส่วนความหวันไหวและใจที่ไม่ตั้งมั่นอันนี้อยู่ในฝักฝ่ายแห่งทิฏฐิมิชาทิฏฐินี่มันวันไหวนะ มันเหมือนกับว่ามันยืนยันอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แล้วมันไม่ค่อยแน่นะเอ๊มจริงหรือเปล่าคือมิจฉาทิฐิมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าใคร อ, อยู่เงียบๆนิ่งๆเฉยๆมันสงสัยเอ๊ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าใครมาท้านะมันมันยืนยันมันยืนยันสมมุติถ้าถ้าอย่างอยู่ๆนะเอ๊มจริงหรืออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแน่นอนแค่ไหนนะชักโลเลเหมือนกัน แต่ถ้าใครมาบอกคุณเนี่ยทำผิดไหมฉันทําผิดที่ไหนฉันทาถูกแล้วเนี่ยมันถูกด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้ายืนยันมากเลยนะเสร็จ แ, แล้วพอไม่มีใครว่าอะไรนะพอคนเขาเลิกทักเลิกมามาวิจารณ์เลิอกอะไรหมดเอจริงอย่างที่เขาว่ามาันเอออาจจะผิดก็ได้นะเอาไปเอามาแต่ถ้าใครมาว่าอีกยืนยันอีกเนี่ยนะในมิจฉาทิฏฐิมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเออมันก็อยู่ได้นะมันสรุปว่าถ้าเศร้าหมองเมื่อไหร่ ก็เป็นตันฝักฝ่ายแห่งตันหาถ้าวันไหวไม่ตั้งมั่นก็เป็นทิฏฐิมันองคุณคุณธรรมคือระดับจตุทชามเนี่ยนะที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดไม่มีกิเลสเครื่องเศร้ามองปราศจากกิเลสเครื่องเศร้ามองอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นจิตที่สงบประงับกิเลสที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งตันหา สงบระ ง, งับกิเลสที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมิจฉาทิฐิขณะเดียวกันเนี่ยก็สงบอินทรีย์ได้อีกสประการอินทรีย์สี่ประการมีอะไรบ้างทุกขินสีโทมณสินสีสุขขินสีและโสมนัสสินสีย่อมดับไปในจตุทัชฌานเพราะฉะนั้นเคยได้ยินนะจตุทัชฌานเนี่ย ค, คือสงบอ่ก็ดับสงบดับทุกโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้ นะครับว่าดับโสมนัตโทมณัตก่อนก่อนได้เพราะฉะตุทชานเนี่ยถ้าดับสุขทุกขหรือโสมนัตโทมณัตก็คือสุขหินรีโสมนัตโทมณัตสินรีสุ ข, ขินรีโสมนัตสินรีเนี่ยก็ดับหมดด้วยอํานาจของจตุทชานอุเบกหินรียย่อมเหลืออยู่แก่บุคคล น, นั้นก็เรียกว่าเป็นอุเบกขินรีอุเบกขาสติปาริสุทธิภาวะานะเป็นเป็นจิตที่เป็นอุเบกขาที่มี แต่ความบริสุทธิ์บุคคลนั้นย่อมมนสิการมนสิการคือทำไว้ในใจซึ่งสมาบัติเบื้องบนโดยความสงบพอได้ฌานที่สี่อย่างนี้แล้วก็ไม่สันโดษอยู่เพียงเท่านั้นเล็งเหเล็งเห็นคุณธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคุณธรรมที่สูงยิ่งไปกว่าจจตุทชฌานคืออะไรก็คืออากาสาัญใจยตนะเห็นว่าอากาสาัญใจยตนะนี่สงบสงบกว่าจตุทะฌานในรูปฌาน อาาอรูปสมาบัตินั้นดีกว่ารูปสมาบัติก็เลยเห็นว่าอารูปสมาบัตินี้สงบเมื่อบุคคล น, นั้นมนสิกาสมาบัติเบื้องบนโดยความสงบว่าอาการสารานจายตนะเนี่ยองก็สงบกว่าเพราะมีอารูปเป็นอารมณ์อารมณ์ก็สงบกว่าสภาวะจิตก็ละเอียดกว่าสงบกว่าอารมณ์ก็สงบกว่าละเอียดกว่าขณะเดียวกันก็ดับสัญญาที่หยาบ ดับปฏิฆาสัญญาสงบจากสัญญาหยาบสงบจากสัญญาที่กระทบกันเรียกว่าพวกเจตุทะฌานเนี่ยนะจตุทะฌานยังมีอารมณ์หลากหลายมากมายเครียกว่าพวกนานัตตะยังเป็นนานัตตะอยู่เพราะฉะนั้นอากาสานัญญาตนาเนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดเพราะอยู่ในระดับเอกะตะเนี่ยนะเอกะตะอารมณ์ไม่กระจัดกระจายแบบรูปประชานทั่ ว, วไปรูปประชานถือว่ายังกระจัดกระจาย กระจายในอารมณ์ใช่ไหมมีกสินกสินต้องมีกสินแปดเป็นอารมณ์เป็นต้นอันนี้อากาสานัญจายตนะไม่เป็นแบบนั้นเรียกว่าสงบละเอียดตรงกันข้ามยิ่งเรียกว่าดีกว่าจตุทชาญบุคคลนั้นกระทําให้แจ้งประจักษ์ก็เข้าอากาศสานัญจายตนะสมาบัตินั้นว่าอากาโสอนันโตอากาศไม่มีที่สุดเพราะอะไรเพราะอะไรจึงสามารถเข้าอากาสารัญจายตนะได้ก็เพราะ ก้าวล่วงสัญญาที่เป็นไปในรูปดับปฏิฆาสัญญาไม่กระทําไว้ในใจซึ่งนานัตตะสัญญาโวหารว่าสัญญาที่เป็นไปในรูปที่นําไปสู่อภิน ญ, ญาย่อมก้าวล่วงสัญญาที่เป็นไปในอารมณ์ต่างๆและดับปฏิฆาสัญญาย่อมมีแก่บุคคล น, นั้นนะ สําหรับผู้ที่จะเข้าอาการสารัญจา ย, ยตนะเนี่ยนะท่านบอกว่า9้าล่วงสัญญาที่เป็นไปในรูป9้าล่วงรูปาวจรทั้ง15ดวง9้าล่วงรูปาวจรกุศลรูปาวจรวิบากและรูปาวจรกิริยาเนี่ยนะขณะเดียวกันก็ดับปฏิฆาสัญญาดับไม่พวกนี้นะไม่ต้องการการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการกระทบสัมผัสไม่ต้องการโดยประการทั้งปวง พวกนี้สํานวนว่าเอียนต่อการเห็นเอียนต่อการได้ยินต่อการรู้กลิ่นรู้รสและการรับกระทบโพธพภะเต็มทีเหมงอนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องการจะดับปฏิฆาสัญญาขณะเดียวกันนี้ก็เบื่อไอความคิดที่มันหลากหลายมากเบื่อเต็มทีและไอนานตาตตสัญญานานาตตาสัญญาคืออะไรคืออากุโซลจิต12บองนนอเฮตุกจิตอีก8แล้วก็กามาวจรโสโผนอีก24 เรียกว่านานัตตะสัญญาก็คือเบื่อจิตเหล่านี้เต็มทีก็เลยดับจิตเหล่านั้นหรือไม่ใส่ใจจิตเหล่านั้นสรุปว่าก้าวล่วงกามาวจรจิตรูปาวจรจิตได้ทุกชนิดก็จึงเข้าอาการาณาจาย์ยนะได้ผู้ที่จะเข้าอาการานาจารยา์ยทนะได้จะต้องจะต้องอะไรจะต้องดับกามาวจรดับรูปาวจรได้หมดแต่ว่าดับด้วยวิคัมพนะปหารเนี่ยนะ สมาธิโอภาษและการเห็นรูปกสินทั้งหลายย่อมหายไปแก่บุคคลนั้นผู้ตั้งมั่นอยู่โดยนิย่าที่กล่าวแล้วพวกนี้ไม่สนใจกสินเบื่อกสินกระสินก็ไม่เอาเนี่ยนะก็ไม่ไม่เอาแม้กระทั่งกสินท่านชาญสีที่เกิดจากกสินท่านเบื่อท่านไม่เอาท่านต้องการดับอันนั้นอ่ะถ้าดับอันนั้นแล้วจึงคุณธรรมชั้นสูงจึงจะเกิดได้พระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ทําได้พระอริยาสาวกของพระพุทธเจ้าก็ทําได้เนี่ยนะ ทีนี้พอไดอรู ป, ปได้รูปปานอารูประชานสมาบัติอย่างนั้นก็พิจารณาสมาธิเหล่านั้นสมาธิที่เป็นสมาบัตินะสมาธิที่เป็นสมาบัติทั้งรูปาวจรสมาธิอรูปาวจรสมาธิก็มาพิจารณาองค์ฌานเหล่านั้นพวกพวกที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็จะเอาสภาพของรูปประชานอารูปปัจานมาพิจารณาอย่างละเอียดพิจารณาว่าอย่างไร พิจารณาเห็นความสมบูรณ์ของสมาธิเหล่านั้นพิจารณาเห็นความสมบูรณ์ของรูปราวจรสมาธิอรูปราวจรสมาธิว่าจิตของเราเป็นไปพร้อมด้วยอานพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ในโลกทั้งปวงเห็นเลยว่าเป็นจิตที่สงบจากความโลภจิตเหล่านี้ไม่ต้องการปยรูปสาตรูปทั้งในสัตว์และในสังขาร เป็นจิตที่บริบูรณ์ไปด้วยอนัพิชาเป็นจิตที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาะในสิ่งที่น่ารักในสิ่งที่น่าใคร่หน้าพอใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์หรือสังขารนั้นเห็นเลยคุณอันที่หนึ่งของชาณจิตคือสมบูรณ์ด้วยอนัพิชาเต็มไปด้วยสภาพจิต ท, ที่ไม่เพ่งเล็งและต่อไปจิตของเราไม่พยาบาทในสัตว์และสังขารเป็นจิตที่ละอัพยะละพยาบาทเป็นอัพยาบาท อโทสะนี้มีกําลัง น, นะเพราะละพยาบาทละความเกียดคร้านละความถือตัวความแข็งดีความเย่อหญิงเนี่ยละได้หมดเลยพันจิตที่มายาสาไถสารำพระแข่งดีพวกนี้จะเป็นจิตที่ค่อนข้างหนักไปทางความความโกรธความพยาบาทแต่นี้อโธสะมีกําลังความไม่พยาบาทในสัตว์และสังขารทั้งปวงก็มีกําลังมากยิ่งขึ้น เราปรารบความเพียรยกความเพียรขึ้นแล้วคุณธรรมเหล่านี้เกิดจากความเพียรนะ เ, เป็นแค่เรียกว่าภาวนาภาวนาคืออะไรก็คือตั้งให้คุณธรรมสูงยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งการเพิ่มปริมาณคุณธรรมให้สูงขึ้นสูงขึ้นนี่แหละเรียกว่ามีความเพียรตั้งความเพียรเั้นคนขี้เกียจคืออะไรก็คืออนุรักษ์นิยมพวกกุศลได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหะไม่เคยคิดจะเพิ่มไม่คิดจะเพิ่มไม่เพิ่มคุณภาพกับเพิ่มไรอายุให้มันยาวขึ้น เขาบอกว่าเอา้าก็จิตมันเกิดดับมันไม่เที่ยงใช่ไหมเอาพูดก็ไม่ผิดอะไรหรอกแต่ว่าไม่ได้ทําให้เกิดการพัฒนาสร้างปัญญาอะไรสักอย่างนะแต่ที่ถูกก็บอกว่าจิตที่ไม่เที่ยงทํายังไงไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันยาวและต่อเนื่องล่ะจิตเกิดดับก็จริงทํายังไงให้เกิดดับเป็นไปกับกุศลอย่างต่อเนื่องยาวขณะเดียวกันเนี่ยแล้วไอ้ที่เกิดยาวๆทํายังไงเพิ่มคุณภาพ จากกุศล ญ, ญาณวิปปยุทธ์ให้เป็นกุศลญาณสัมปยุทธ์จากกุศลที่เป็นอุเบกขาเป็นกุศลที่เป็นโสมนัฐจากกามากรมาวจรเป็นรูปาวจรจากรูปาวจรระดับปฐมฌานพัฒนาให้มันยิ่งขึ้นเป็นทุติยฌานตาติยฌานจตุฌานจากรูปฌานเพิ่มปริมาณคุณภาพให้เป็นอรูปฌานเขามีแต่เพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพอย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรนเรียกว่าคนขยันเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นความเป็นความเพียรที่ได้รับการยกขึ้นแล้วกายของเราสงบไม่เร่าร้อนกายคือกา ย, ยปัสสธิหมายถึงจิตเจตสิกเนี่ยสงบไม่ได้เร่าร้อนอะไรจิตของเราเนี่ตั้งมั่นไม่ซัดสายนะเพราะเป็นสมาธิเนี่ยนะเป็นสมาธิสติของเราเนี่ยปรากฏแล้วไม่หลงลืมเนี่ยนะสมาธิก็ดำรงมั่นะนะจิตเป็นสมาธิ บรรดาคุณธรรมทั้ง6ประการหรือองค์แห่งสมาธิเหล่านั้นจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยอนัพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้จิตที่ไม่พยาบาทจิตที่ปรารบความเพียรหรือความเพียรที่ปราลบแล้วยกขึ้นแล้วจิตที่ตั้งมั่นไม่สัดสายคุณธรรมเหล่านี้เป็นสมถะนะเป็นคุณธรรมของผู้ที่มีสมถะอะโลภะมีกําลังอโทสะมีกําลังความเพียรก็ยกขึ้นแล้วจิตก็ตั้งมั่นไม่สัดสายไม่กวัดแกง อันนี้แหละเป็นสมถะ ก, กายที่สงบไม่เร่าร้อนเป็นเครื่องแวดล้อมสมาธินะสมาธิเนี่ยนะสามารถสังเกตคุณภาพของสมาธิก็ดูจากความไม่เร่าร้อนทางจิตและเจตสิกนะนะวันถ้าจิตเจตสิกสงบจิตแต่ชรูปเป็นต้นก็ไม่ต้องห่วงละ ส่วนสติที่ปรากฏไม่หลงลืมไม่หลงลืมอะไรไม่หลงลืมในความเป็นอสุภะในความเป็นทุกข์ของเวทนาในความไม่เที่ยงของจิตในความเป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาพันสมถะและวิปัสสนาก็ควบคู่กันไปเมื่อสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปก็บรรลุเป็นอ่าบรรลุอริยมรรตโดยลําดับเนี่ยนะเมื่อบรรลุอริยมรรตก็เกิดอริยผลจาก อ, อะโสดาปฏิมรรตโสดาปฏิพลดสกทาคามิมรรต สกทาคามีผลอนาคามีมรักอนาคามีผลอรหัตตมรักและอรหัตตผลเพราะฉะนั้นสมาธิที่เป็นอรหัตตผลนั้นมีมคุณธรรมหรือมีคุณภาพอยู่5ประการด้วยกั น, น, น, นในข้อ54าสิบสนั้นสมาธินั้นคืออรหัตตผลสมาธินั้นมีความสามารถอยู่5ประการด้วยกัน หรือมีความเพียรพร้อมมียานทัศนะหประการหรือปัจจเวกขณะยานพิจารณาอรหัตผลสมาธิเนี่ยมีปัจเวกขณะยานพิจารณาอรหัตผลอยู่หประการด้วยกันหนึ่งสมาธินี้เป็นญานทัศน์เป็นอาการที่ปรากฏเฉพาะตนแก่พระอรหรันต์ผู้มีปัจจเวกขณะยานพิจารณาอรหัตผลนั้นว่าเป็นสุขในปัจจุบัน น, นะเพราะว่าขณะที่เข้าอรหัตผลสมาบัติเข้าเมื่อใดก็มีแต่ ความสุขมีแต่ความสงบไอ้ความสุขความสงบตัวนี้เป็นสุขในปัจจุบันนี่แหละที่พระพุทธเจ้ามักจะเข้าบ่อยๆเข้าเป็นปกติเนี่ยนะเข้าเป็นปกติบอกเข้าได้แม้กระทั่งชั่วลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเวลาพระพุทธเจ้าแสดงคำเนี่ยโดยมากจะสลับกับการเข้าอารหัตผลสมาธิเพราะว่าเข้าแล้วอยู่อย่างเป็นสุขเัราพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่ไม่พัวพันไม่ผูกพันในสัตว์แล่ สังขารพระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยกรุณาเมื่อกิจแห่งกรุณาดับไปพระองค์ก็ทํากิจแห่งปัญญาคือการเข้าอารหัตตผลสมาธิเพราะอารหัตผลสมาธิชื่อว่าเป็นสมาธิที่เป็นสุขในปัจจุบันพระแรกตรัสรู้พระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขก็คือเนี่ยสุขในปัจจุบันคืออรหัตผลสมาธินี่แหละหลังจากนั้นพระองค์ก็โดยมากก็เข้าอารหัตผลสมาธิอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะ ปัจเวกขณะยานพิจารณาอรหัตผลสมาธินั้นเลยว่าเป็นสมาธิที่เป็นสุกในปัจจุวันต่อไปอีกข้อสองบอกว่าสมาธินี้เป็นญานณทัศนะเป็นอาการที่ปรากฏเฉพาะตนแก่พระอรหันต์ผู้พิจารณาว่าเป็นสมาธิที่เอ่อเป็นผลที่เป็นสุกในภายภาคหน้าภายภาคหน้าเป็นยังไงหมายคำว่าอรหัตผลสมาธิขณะที่เข้าเป็นสุขขณะเดียวกัน สมาธิอันนี้เป็นอุปนิสัยให้เข้าสมาธิในครั้งต่อต่อไปอีกเพราะฉะนั้นผลที่เป็นสุขในภายภาคหน้าก็คือการการเข้าอารหัตตะผลสมาธิในครั้งต่อต่ อ, ตอไปปัจเวกขณะยานของพระอรหันต์รู้เลยว่าการเข้าอารหัตตะผลสมาธิเนี่ยนะท่านเข้าได้ในตอนนี้ครั้งต่อต่อไปท่านจะเข้าได้นะก็เพราะว่าอารหัตตผลสมาธิของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีขอบเขตจำกัด ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ชํานาญสา ม, มารถที่จะเข้าอรหัตผลสมาธิได้อย่างที่สาสมาธินี้เป็นญานนณทัศนะเป็นอาการที่ปรากฏเฉพาะตนแก่พระอรหันต์ผู้พิจารณาว่าสมาธินี้เป็นนิรามิตรสุขอันประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยอมิตรเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยกา ม, ามิตรอ่า น, นะเป็นไม่เจือด้วยวัตถุ ก, กามและกิเลสกาม เป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยวัตถุกรมไม่เจือด้วยกิเลสกรมเป็ น, นอ่เป็นความสุขที่ไม่มีวัตตะเป็นสุขที่ไม่ใช่สุขที่เกิดจากกรรมและกิเลสวิบากไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากกรรมกิเลสวิบากที่สืบเนื่องในวัตตะและก็สมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่เป็นสุขปราศจากโลกา ม, มทิทุกชนิด ปราศจากโลกียาธรรมทุกชนิดปราศจากจิตเจตสิกและรูปทั่วไปปราศจากสังคตะธรรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นอรหัตผลสมาธินี้จึงเป็นนิรามิตรสุขอันประเสริฐเพราะไม่เจือด้วยกามามิตไม่เจือด้วยวัตตามิตรไม่เจือด้วยโลกามิตเนี่ยนะไม่เจือด้วยอมิตรเหล่านี้เลยที่4ี่บอกว่าสมาธิคืออรหัตผลสมาธินั้นน่ะนะ เป็นญาณทัศนะคือยาณทัศนะเกิดขึ้นโดยอาการที่ปรากฏเฉพาะแก่พระอรหันต์ผู้พิจารณาเห็นเห็นเลยว่าอรหันตผลสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลผู้ประเสริฐมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเสพนะเป็นเป็นคุณธรรมของพระอริยะบุคคลเป็นคุณธรรมของพุทธสาวกเป็นคุณธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะสุดท้ายบอกว่าสมาธินี้เป็นที่ตั้งแห่งญาณทัศนะทัศนญาณทัศนะคือปัจเจกขณะญาณโดยอาการที่ปรากฏเฉพาะตนแก่พระอาหารหันต์ผู้มีการพิจารณาว่าสมาธินี้สงบสงบจากกิเลสบาปอากุศลเนี่ยนะเป็นสมาธิที่ประณีตแลวก็เป็นสมาธิที่ได้ด้วยความสงบเพราะสงบจากกิเลสทุกอย่าง บรรลุได้ด้วยความตั้งมั่นเป็นอันดีเพราะนั้นอรหัตผลสมาธิเนี่ยตั้งมั่นดีมากถึงความไม่หวั่นไหวขณะเดียวกันเป็นสมาธิที่ไม่ใช่บรรลุได้ด้วยการข่มฝ่ายตรงกันข้ามโดยไม่มีความพยายามคือบางทีเนี่ยนะสมาธิของของผู้ที่เป็นฌานทั้งหลายทั่วๆไปเนี่ยจะต้องข่มฝ่ายตรงกันข้ามจะต้องข่มปฏิปักษ์ธรรมแต่อรหัตผลสมาธิไม่ต้องข่มปฏิปักษ์ธรรม อรหัตผลสมาธิประสงค์นปฐมฌานต้องข่มนิวรณ์ธุติยะฌานต้องข่มมิตกิจฌานตติยะฌานต้องข่มปีติจะตุทัฌานต้องข่มสุขทุกโสมนัตโธมนัตก่อนๆ อ, อากาสานัญญายยตนะต้องข่มรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่ใส่ใจนานัตตะสัญญาจึงจะเข้าอากาศาได้วิญญาณัญญายยตนะต้องข่มอากาศานัญจา ย, ยัญญา อากินจัญญายตนะต้องข่มวิญญาณัญจายยตนะอากินต้องข่มวิญญาณจายยตนะเนวสัญญาต้องขม่มหรือต้องละอากินจัญญายตนะแต่นะพวกวิวปั ส, สนาทุ่ทั่วๆไปก็ต้องข่มวิปลาดเป็นต้นแต่อรหัสผลสมาธิไม่จําเป็นต้องขม่มไม่จําเป็นต้องพยายามเพื่อที่จะข่มอะไรอีกแล้วถือว่าเป็นอะไรนะ เป็นเสรีชนเป็นอิสระชนเป็นเสรีธรรมเป็นธรรมที่เสรีเป็นธรรมที่เป็นอิสระจริงๆไม่มีอะไรมาทําให้คุณธรรมเหล่านี้แปดเปื้อนและเศร้ามองได้โดยประการทั้งปวงก็เลยเรียกว่าไม่ต้องมีการข่มปฏิปักษ์ธรรมทั้งหลายดังั้นสมาธินี้เป็นญาณทัศนะข้ออีกต่อนหนึ่งบอกว่าสมาธินี้เป็นญาณทัศนะเป็นอาการที่ปรากฏเฉพาะตนแกรร่ผ้าหันผู้พิจารณาว่า เรามีสติเข้าเรามีสติออกจากสมาธินั้นพันแสดงว่าอรหัตผลสมาธินั้นจะต้องมีสติที่สมบูรณ์จึงจะเข้าได้อาศัยที่สติที่สมบูรณ์ออกออกนันสตินี่แหละเป็นเป็นตัวที่ทำให้เข้าสมาธิและออกจากสมาธิบรรดาอรหัตผลสมาธิเนี่ยนะที่มีคุณธรรมเพียบพร้อมอยู่5ประการเหล่านี้ สมาธิที่เรามีมีสุกในปัจจุบันสมาธิที่มีวิบากเป็นสุกในครั้งต่อๆไปข้างหน้าเพรา ะ, ะนั้นไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและขณะเดียวกันก็เป็นอุปนิสัยให้เข้าอารหัตผลสมาธิครั้งต่ อ, ต, อต่อมาอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นสมถะเพราะเป็นความสงบเป็นสมาธิความที่สมาธินั้นเป็นนิรามิตสุขไม่เจือด้วยกา ม, ามิตไม่เจือด้วยวัตตามิตไม่เจือด้วยกิเลสามิต เป็นสมาธิที่บุคคลผู้ประเสริฐช่องเสพเป็นสมาธิที่สงบ ป, ประณีตได้ด้วยความสงบบรรลุได้ด้วยความตั้งมั่นเป็นอันดีเป็นสมาธิที่ไม่ต้องข่มปฏิปักธรรมโดยความพยายาม น, นะแล้วเป็นสมาธิที่มีสติเข้ามีสติออกคุณธรรมอันนี้เป็นวิปัสสนาเพราะว่าจะต้องได้ด้วยอนุภาพของปัญญา ถ้าไม่มีอนุภาพคือปัญญาขนาดนี้เนี่ยนะไม่สามารถที่จะคลายอามิตรได้คือไม่สามารถที่จะคลายกามามิตรกิเลสามิตรแล้วก็วัตตามิตรไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองประเสริฐบรรลุปเป็นพระอริยะได้ขนาดนี้แต่เนื่องจากว่ามีปัญญาพันสมาธิของพระอรหันต์เนี่ยนะก็ยังแบ่งเป็นสองกลุ่มคือเป็นไปกับสมถะและวิปัสสนา ทีนี้อ้าวแล้วกว่าจะได้คุณธรรมเหล่านี้ทําได้ยังไงเราตั้งคําถามว่าทําได้อย่างไ ร, งไงไรจึงจะได้มีคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยโอย้แต่และอย่างนี่มันดีเหลือเกินเนี่ยนะแมหน้าบรรลุหน้าแต่ว่าแม้ก่อนจะได้บรรลุก็น้ําตานองหน้าใช่ไหมพวกนี้เป็นอะไรนะอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยมานะละมานะปฏิบตัติแล้วก็น้ำคลคล้าวไว้ด้วยน้ําตาทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ดังที่กล่าวมา ทนี้พอปฏิบัติได้ดังกล่าวมาก็บอกว่าที่จริงเนี่ยนะบาต ท, ที่ทําให้ท่านบนรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลคือบาต ท, ที่ทําให้บรรลุมรรคผลเนี่ยเนื่องจากว่าท่านมีสมาธิ5ประการท่านมีสมาธิอยู่5ประการคือโดยความเป็นสมาธิที่แผ่ปีติสมาธิที่แผ่สุขหรือว่าโดยความแผ่จิตเป็นสมาธิที่แผ่แสงสว่างและก็เป็นสมาธิที่ปเปจวเกขณะยาณ สมาธิเหล่านั้นเขาบอกว่าสมาธิที่แผ่ปีติคือปฐมฌานกับทุติยะฌานเนี่ยแผ่ไปด้วยปีติเพราะปีติชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะปฐมฌานประกอบไปด้วยวิตกวิจารณ์ปีติสุขที่เกิดจากวิเวกทุติยะฌานก็สงบประนับวิตกวิจารณมีแต่ปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเะนั้นปฐมฌานและทุติยะฌานนั้นจึงแผ่ปีติเนี่ยนะแผ่ปีติอยู่ด้วยความเอิบอิ่มเป็นอย่างยิ่งส่วนทุติอตติยะฌานเนี่ยแผ่สุข เพราะว่าเพราะก้าวล่วงปีติเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสตินะเป็นผู้ที่มีสติมีแต่ความสุขเพราะว่าก้าวล่วงปีติดับปีติขมปีติได้เพราะนั้นแผ่แต่ความสุขโดยส่วนเดียวก็คือฌานที่สส่วนแผ่จิตไปนั้นเป็นชื่อของเจโตปริยานนะเจโตปริยานนี้แผ่รู้สภาพจิตของจิตภายในจิตภายนอกจิตมีราคะจิตปราศจากราคะเป็นต้น อันคำว่าความแผ่จิตนั้นหมายถึงเจโตปริย า, ยานส่วนความแผ่แสงสว่างนั้นเป็นชื่อของทิพจักขุยานทิพจักขุยาน